สวัสดีค่ ะ, คะขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการอิงลิชเราอยู่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดวยระบบเอฟเอ็มความถี่แปดสิบเก้าจุดห้ามิลลิเฮิร์สต์คลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตวันนี้พบกับดิฉันชนกนาจินสิดิฉันพุทธนาสวัสดโยธินเราสองคนรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะ รายการของเราออกอากาศทุกวันพุทธแล้วเราจะอยู่ประจำในเวลาตีสี่ตีสี่ครึ่งเป็นประจำทุกสัปดาห์วันนี้นะคะตรงกับวันพุทธที่สิบเก้าเดือนมิถุนายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสองค่ะวันนี้รายการอังกฤษเราอยู่ของเรานะคะนำเคล็ดลับการใช้ภาษาอังกฤษมาฝากท่านผู้ฟังกันค่ะ ค, าคำแรกนะคะที่เราอาจจะคุ้นหูคุ้นตากันดีนะคะก็คือคำว่า pharmacy pharmacy p h a r นะคะ m a c y pharmacy มีความหมายว่าร้านขายยานะคะหรือบริเวณที่จำหน่ายายาก็ได้คะ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่ามีตัวอย่างประโยคหรือว่าคำศัพท์ ที่น่ารู้น่ารู้นะคะเอาไว้ใช้สนทนาการเมื่อเราไปที่ร้านขายยาหรือว่าฟาร์มัสซีกันดูค่ะค่ะฟาร์มัสซีสนะคะฟาร์มัสซีสนะค ะ, ะ, คะก็คือเป็นคำนามนะคะแปลว่าเภสัชกรนะคะค่ะเมื่อเราได้พบกับฟาร์มัสซีสหรือว่าเภสัชกรนะคะเราก็อาจจะบอกความต้องการนะคะเช่นถ้าเราปวดหัวเนี่ยเราก็ อยากจะซื้อนะคะอย่า Paracetamol กลับไปรับประทานนะคะเราก็จะบอกว่า I would like some Paracetamol อีกหนึ่งครั้งนะคะ I would like some paracetamol หรือจะพูดรูปย่อนะคะ I like นะคะ I like some paracetamol ก็คือฉันต้องการ paracetamol นั่นเองค่ะค่ะประโยคภาษาอังกฤษที่ควรรู้นะคะที่เกี่ยวข้องเวลาที่เราไปร้านขายยานะคะอย่างเช่นนะคะฉันมีใบสั่งยาจากหมอนะคะเราก็จะใช้ประโยคว่า I have got prescriptions here from the doctor I've got อ่า prescription here from the doctor ก็คือฉันเนี่ยมีใบสั่งยามาจากหมอค่ะทีนี้นะคะถ้าเราเ อ, อ, อยากจะทราบนะคะว่าที่ร้านขายยาเนี่ยมีอะไรบ้างไหมนะคะสำหรับโรคที่เราเป็นอยู่นะตอนนี้นะคะเราจะขึ้นต้นประโยคคำถามนะคะว่า have you got anything for นะคะ have you got anything for นะคะตามด้วย โรคหรือว่าอาการที่เราเป็นอยู่ณตอนนั้นนะคะเช่น Have you got anything for cold sores อีกหนึ่งครั้งนะคะ Have you got anything for cold sores นะคะแปลว่าคุณมียาสหรือว่าอะไรที่รักษาโรคปากเปื่อยไหมคะค่ะต่อมานะคะ Have you got anything for a sore throat Have you got anything for a sore throat ก็คือคุณเนี่ยมียาอะไรที่เกี่ยบข้อมกับอาการเจ็บคอบ้างหรือเปล่านะคะก็ใช้คำศัพท์ว่า sore throat ค่ะถ้าเกิดว่าเรามีอาการปากลอกนะคะปากแตกนะคะไปหาคุณหมอนะคะหาพฤษัจก้อนนะคะเราก็จะถามว่า、mm hmm. Have you got anything for sharp lips นะคะ Have you got anything for sharp lips นะคะตรง น, นี้ก็คือ คุณมียาหรือว่าอะไรที่แก้อาการปากลอกบ้างไหมคะคะนะคะพอเราไปร้านขายยานะคะเราก็อาจจะถามเขาใช้คำถามเดิมแบบเมื่อกี้เลยนะคะ Have you got anything for นะคะ Have you got anything for travel sicknessHave you got anything for travel sickness นะคะ คุณมียาอะไรบ้างไหมที่เกี่ยวข้องกับการเมารถเมาเรือนะคะเราจะใช้คำว่า travel sickness ค่ะการเมารถเมาเรือค่ะอาการไอนะคะโรคหิดหิดกันนะคะ a cough นะคะ c o u g h นะคะเราก็จะถามคุณหมอว่า have you got anything for a cough นะคะ have you got anything for a cough คุณมียาอะไรที่พอจะบรรเทาหรือว่ารักษาอาการไอไหมคะค่ะประโยคต่อมานะคะ นะคะเราอาจจะบอกว่าคุณเนี่ยช่วยแนะนำอะไรที่เกี่ยวกับไข้หวัดใหน่อยได้ไหมนะคะให้ให้ผู้สัญจรแนะนำเรานะคะเราก็จะใช้ประโยคพูดว่า can you recommend anything for a cold can you recommend anything for a cold นะคะก็คือคุณช่วยแนะนำอะไรเกี่ยวข้องกับไข้หวัดได้ไหมเราก็เปลี่ยนนะคะตรง for for นะคะเปลี่ยนเป็นโรคที่เราอยากจะถามเขานะคะ ค่ะถ้าเราต้องการแจ้งคุณหมอนะคะว่าตอนนี้เนี่ยตัวเรานะคะกำลังมีอาการนั้นอาการนี้นะคะเราก็จะใช้สำนวนนะคะว่า I'm suffering from นะคะ I'm suffering from นะคะ suffering ตรงนี้ก็คื อ, อทุกทนมือว่าทรมานนั่นเองค่ะ I'm suffering from hay fever นะคะ I'm suffering from hay fever ตรงนี้ก็คือฉัน ตอนนี้ฉันกำลังมีอาการแพ้เกสรดอกไม้อยู่ค่ะค่ะหรือเราจะบอกว่า I'm suffering from indigestions I'm suffering from indigestions ตอนนี้ฉันกําลังนะคะมีปัญหานะคะทุกข์ทรมานมากเลยนะคะกับเรื่อง indigestion ก็คืออาหารไม่ย่อยค่ะค่ะทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการแจ้งนะคะว่าเรามีอาการท้องร่วงนะคะเราก็จะบอกว่า I'm suffering from diarrhea I'm suffering from diarrhea. ฉันมีอาการท้องร่วงค่ะค่ะเมื่อเราไปร้านขายยานะคะแต่ถ้าเราจะบอกนะคะเภสัชกรว่าเราเนี่ยมีผื่นนะคะมีผื่นคันขึ้นนะคะเราก็จะใช้ประโยค ง, ง่ายๆว่า I have got หรือ I got นะคะ I got a rash. I got a rash นะคะ R-A-S-H นะคะก็คือฉันเนี่ยมีผื่นค่ะค่ะ โฟคฮ the G. Hall and d 1500 That's a percent Tim,ucklehead, รอบภาชกรนะคะ่ doll, คิดดู ford. ให้เรา節目ลองท inherittficult. description. ทำให้เราลองท一個คลิมนี้ดนะคะูเขาก็จะบอกว่าคุณลองท satellite cream, จะกด Audrey webinar says ��zetelage position on the top. คุณลองทาคลิมนี้ก่อนได้นะค่ะพระโยะขือต่อมาพระโยะโชคนี้ก็อา จ, จะใช้ได้นะคะในร้านไขาย า, ยานะคะอย่างเช่นเช่นเพศสัจกรนะคะก็อาจจะแนะนำเรานะคะว่าถ้ามันไม คุณเนี่ยก็ควรไปหาหมอนะคะเขาก็อาจจะใช้ประโยคนะคะว่า if it doesn't clear up after a week you should see your doctor อีกหนึ่งครั้งนะคะ if it doesn't clear up after a week you should see your doctor ก็คือถ้ามันไม่หายเนี่ยในหนึ่งอาทิตย์นี้ก็ควรไปหาหมอค่ะค่ะเราไปหาเภสัชกรนะคะเราอยากจะได้อะไรที่แบบว่าทำให้เราเนี่ยหยุดสูบบุหรี่นะคะ เราก็จะถามเภสัชกรว่า Have you got anything to help me stop smoking อีกหนึ่งครั้งนะคะ Have you got anything to help me stop smoking หมายถึงคุณพอจะมีอะไรที่ช่วยให้ฉันหยุดสูบบุหรี่ได้บ้างไหม Stop smoking นะคะก็คือเลิกบุหรี่หรือว่าหยุดสูบบุหรี่นั่นเองค่ะค่ะ ประโยคที่น่ารู้ต่อมานะคะอย่างเช่นนะคะเภสัชกรเนี่ยอาจจะถามเราว่าเนี่ยคุณเนี่ยเคยลองนะคะแผ่นแปะนิโคตินไหมนะคะก็คือแผ่นเป็นแผ่นแปะที่จะทำให้เลิกสูบบุหรี่นะคะเขาก็จะใช้ประโยคภาษาอังกฤษว่า Have you tried nicotine patchesHave you tried nicotine patches ก็คือคุณเนี่ยเคยลองแผ่นแปะนิโคตินไหมค่ะ เราเป็นคนไข้นะคะถ้าเกิดเราอยากจะได้ยาตัวนี้นะคะเราเอาจจะถามเภสัชะกรไปว่า Can I buy this without a prescription อีกหนึ่งครั้งนะคะ Can I buy this without a prescription หมายถึงผมจะซื้อยาตัวนี้โดยไม่มีใบสั่งยาได้ไหมครับค่ะตัวอย่างประโยคเลยค่ะ เภสัชกรเนี่ยก็อาจจะตอบเราว่าซื้อได้เฉพาะมีใบสั่งยาเท่านั้นนะคะเขาก็จะแจ้งเราว่า it's only available on prescriptions it's only available on prescription ก็คือซื้อได้เฉพาะมีใบสั่งยาเท่านั้นค่ะค่ะถ้าเกิดเราอยากจะทราบนะคะว่ายาตัวที่เราซื้อไปเนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมก็จะถามกับเภสัชกรนะคะว่า does it have any side effects หนึ่งครั้งนะคะ Does it have any side effects นะคะหมายถึงมีผลข้างเคียงอะไรไหม side effects ก็คือผลข้างเคียงนั่นเองค่ะค่ะอีกประโยคหนึ่งนะคะบางทีเนี่ยเภสัาชากรนะคะเขาก็อาจจะแนะนำเรานะคะอย่างเช่น you should avoid alcohol You choose to avoid alcohol. คุณเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์นะในช่วงนี้อย่างเงี้ยนะคะเขาก็อาจจะใช้ choose นะคะซึ่งแปลว่าควรเนี่ยนะคะาตามด้วย、uh, verb ที่ไม่เปลี่ยนรูปนะคะหรือ verb ช่วงที่หนึ่งนะคะเพื่อที่จะใช้แนะนำเราค่ะค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเวอร์ไวด์เว็บดอทเปาณมลดอทคอมสแลชอิงลิชคอนเวอร์เซชันฟาร์มัซซีค่ะ เดี๋ยวเราจะให้ท่านพูดฟังนะคะพักฟังเพลงพอเ พ, ร า, ะเพราะต่อจากทางสถานี้แล้วกลับมาพบกับพวกเราในช่วงสุดท้ายของรายการ English Around You ติดตามฟังกันให้ได้นะคะรายการ English Around You สนับสนุนรายการโดยคณะสิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญาบูรี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 キッチンペンコンクライダンタジャガンワンネタペンヤチュいロムンアリガムンネカイキーディアンダーワンウェラトミトゥクトゥクセンンンペンパイダクワンソンタミティトゥキヤンインコンゲプワイ ยังคงมีแต่เธอเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนยังมีแต่เธอเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนไปยิ่งเวลาอ้างว้างเท่าไหรในใจเก็อยิ่งโห やんこんみてたむんだみかいぷんみてたむんだみかいぷんぱいんわんわんていらいにたいでんほいはん いいじゃない。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 ในช่วงที่สองของรายการนะคะนำบทรรสนทนาภาษาอังกฤษค่ะเกี่ยวกับเรื่องสภาพอากาศนะคะหรือดินฟ้าอากาศนะคะมาฝากท่านผู้ฟังกันในช่วงนี้ค่ะค่ะสำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับสภาพอากาศนะคะซึ่งจะเป็นเรื่องทั่วไปนะคะที่ชาวต่างชาติเนี่ยมักจะใช้เป็นเรื่องที่เอาไว้พูดคุยกันนั่นเองค่ะ ที่นี่เดี๋ยวเราจะลองมาติดตามและฟังกันดูนะคะว่าจะมีคำศัพท์นะคะหรือว่าประโยคคำถามที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศอย่างไรกันบ้างคะ่ะค่ะสภาพอากาศและอุณหภูมินะคะคำว่าสภาพอากาศนะคะเราก็จะใช้คำศัพท์ว่า weather weather w e a t h e r นะคะส่วนคำว่าอุณหภูมินะคะเราก็ใช้คำว่า temperature temperature นะคะก็คือ temperature ก็คืออุณหภูมิะค่ะ ค่ะคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศนะคะคือ hot นะคะก็คือร้อนนั่นเองค่ะค่ะคำว่าแรงนะคะ droughty droughty sunny นะคะมีแดดจ้าค่ะ windy นะคะลมแรงเราจะใช้ว่า windy ค่ะ cloudy นะคะมีเมฆมากค่ะ rainy นะคะมีฝนตกค่ะ รู้สึกเย็นนะคะก็คือ cool ค่ะถ้าหนาวเราใช้คำว่าคำศัพท์ว่า cold ถ้าตอนนั้นหิมะตกนะคะ snowy ค่ะถ้าชื้นนะคะอากาศชื้นก็ damp ค่ะสำนวนต่อไปนี้นะคะที่ใช้เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศก็คือ how is the weather now นะคะ how is the weather now เมื่อได้ยินคำถามนี้นะคะผู้ผู้พูดเนี่ยเราก็จะตอบอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวก็จะได้ ฟังตัวอย่างการตอบกันค่ะ How is the weather now เนี่ยมีความหมายว่าตอนนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างนะคะคู่สนทนาเนี่ยก็ อ, อาจจะบอกความรู้สึกนะคะมันร้อนมากนะคะเราก็จะบอกว่า It is very hot นะคะ It's very hot ตรงนี้นะคะบอกสภาพอากาศเราจะใช้ It is นะคะหรือว่า It's นั่นเองค่ะใช้เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศนะคะแล้วก็ตามด้วยคำที่เอาไว้าใช้บรรยาย สภาพอากาศที่พวกเรานำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองค่ะตรงนี้ก็จะเป็น it's very hot นะคะมันร้อนมากมากค่ะค่ะประโยคต่อมานะคะ how is the weather in นะคะแล้วก็ตามด้วยสถานที่ค่ะอย่างเช่น how is the weather in Thailand now how is the weather in Thailand now ก็คือเออตอนนี้อากาศในประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างค่ะค่ะ การถามสภาพอากาศนะคะตอนนี้อากาศเป็นอย่างไรนอกจากที่ดิฉันนำเสนอไปเมื่อครู่ตอนแรกนะคะ How is the weather แล้วเนี่ยเรายังจะใช้คำถามว่า What's ก็ได้นะคะ What's the weather like นะคะ What's the weather like ก็คืออากาศเป็นอย่างไรคะ่ะค่ะดิฉันนะคะมีคนถามแล้วว่าอากาศเป็นอย่างไรบ้างนะคะโดยใช้ประโยคเมื่อกี้นี้ก็คือ What's the weather like นะคะเราก็อาจจะตอบกลับไปค่ะโดยใช้นะคะ ประโยคขึ้นต้นด้วย it's นะคะแล้วก็ตามด้วยนะคะอย่างเช่นตามด้วยสภาพอากาศนั้นนะคะอย่างเช่น it's sunny นะคะก็คือมันมีแดดออกค่ะ it's cloudy นะคะมีเมฆมากค่ะค่ะจะบอกว่ามีลมแรงนะคะ it's windy it's foggy นะคะ Foggy นะคะ Foggy ก็คือมันแบบเต็มไปด้วยหมอกนั่นเองค่ะค่ะจะบอกว่ามันมีพายุนะคะเราก็ใช้ประโยชน์ขึ้นต้นอด้วย it เหมือนเดิมค่ะ It's stormy นะคะ It's stormy ก็คือมันมีพายุค่ะค่ ะ, คะตรงนี้นะคะจะเป็นลักษณะของสภาพอากาศที่มันมีอะไรที่มันร่วงหล่นลงมาจากฟากฟ้านะคะเราก็จะใช้ที่มันเป็นกริยาที่เติม ing เนี่ยเองค่ะเช่น It's raining นะคะ It's raining ฝนมันตกค่ะฝนมันกำลังตกนั่นเองนะคะตอนนี้อย่างเช่นหิมะตกลงมานะคะเราก็จะใช้ประโยคว่า It's snowing It's snowing แต่ถ้าเป็นลูกเห็บตกบ้านเรานะคะ It's hailing นะคะ It's hailing H A I L นะคะแล้วก็ I N G It's hailing ลูกเห็บตกค่ ะ, คะ ประโยคต่อมานะคะจะเป็นการพูดว่าเนี่ยอากาศดีอะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะใช้ประโยคว่า what a nice day what a nice day ก็คืออากาศดีอะไรอย่างนี้เนี่ยค่ะถ้าเราอยากจะพูดแบบเปรย์นะคะช่างเป็นวันที่สวยงามอะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะใช้ว่า What a beautiful day นะคะ What a beautiful day ช่างเป็นวันที่สวยงามจริงๆนะคะวันนี้อากาศไม่ค่อยดีเลยนะคะเราก็พูดขึ้นมาว่าวันนี้อากาศไม่ดีเลยเราก็จะบอกว่า It's not a very nice day It's not a very nice day ค่ะถ้าอยากจะบ่นๆนะคะวันนี้อากาศแย่จังนะคะเราก็จะใช่วอชนะคะ What a terrible day นะคะเป็นการบ่นๆนะคะขึ้นต้นด้วยวอชนะคะไม่ใช่คำถามนะคะตรงนี้ What a terrible day ช่างเป็นวันที่อากาศแย่จังเลยนะคะอากาศแย่จริงๆเลยอีกอีกประโยคหนึ่งนะคะก็อาจจะใช้ว่า Was miserable weatherWhat miserable weather ก็คืออากาศแย่จริงๆเลย ค่ะถ้าตอนนั้นนะคะฝนมันเพิ่งจะเริ่มเริ่มตกนะคะเราอาจจะใช้ verb start นะคะเข้าไปช่วยนะคะก็จะพูดว่า it's starting to rain นะคะ it's starting to rain ฝนมันเพิ่งจะเริ่มตกค่ะค่ะประโยคต่อมานะคะอย่างเช่นเราจะบอกว่าฝนเนี่ยมันหยุดตกแล้วนะคะฝนหยุดตกแล้วนะคะเราก็จะใช้ว่า it's stop raining it's stop raining ก็คือฝนหยุดตกแล้วค่ะค่ะถ้าตอนนี้นะคะฝนตกหนักค่ะเราจะพูดว่า is pouring with rain is pouring with rain is raining is raining cats dogs cats dogs and and าเล ย, ะ ค, ะเยะ ค, ะค่บบย ะ, คะ ค่ะถ้าตอนนั้นอากาศดีนะคะเราก็จะบอกว่า the weather fine นะคะ the weather's fine ค่ะอันนี้เราจะบอกค่ะว่าออวันนี้พระอาทิตย์เนี่ยมันส่องแสงนะคะในความหมายก็คือมันมีแดดออกนั่นเองนะคะเราก็อาจจะใช้ประโยค ง, ง่ายๆนะคะว่า the sun shining's the, sh the sun the sun's shining นะคะก็คือพระอาทิตย์ส่องแสงค่ะ ท้องฟ้าไม่มีเมฆนะคะตรงนี้จะเป็นปฏิเสธนิดหนึ่งนะคะมีการเอาน็อตเข้ามาใส่นะคะก็จะบอกว่า there's not a cloud in the sky นะคะ there's not a cloud in the sky ก็คือท้องฟ้าไม่มีเมฆนั่นเองค่ะค่ะถ้าเราจะบอกว่าท้องฟ้าวันนี้มันมืดครึ้มนะคะมืดครึ้มมากเราก็จะใช้ประโยคว่า the sky overcast the skies overcast ก็คือท้องฟ้ามืดครึ้ m เลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าท้องฟ้าแจ่มใสนะคะแจ่มใสก็คือมันกระจ่างนะคะเราใช้เคลียร์นะคะถ้าเอามาเข้าประโยคเราก็อาจจะพูดว่า is clearing up นะฮะ is clearing up ท้องฟ้าแจ่มใสนั่นเองค่ะค่ะแดดกำลังออกนะคะบางทีนะคะเขาก็จะใช้ประโยคว่า the sun comes out The sun comes out นะคะที่เขาก็ใช้ว่าแดดเนี่ยกำลังจะออกค่ะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าแสงกำลังจะหายไปนะคะก็จะบอกว่า the sun just gone in the sun just gone in พระอาทิตย์กำลังจะหายไปค่ะค่ะเราอยากจะพูดว่าตอนนี้ที่นั่นเนี่ยมีลมแรงเลยนะคะที่นั่นมีลมแรงเลยเราก็จะใช้ประโยคง่ายๆว่า there is a strong wind There a strong wind นะคะ wind wind ที่แปลว่าลมแรงค่ะมีลมค่ะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าลมแรงน้อยลงนะคะเราก็จะบอกว่า the winds drop the winds dropped ค่ะตอนนี้มีเสียงเหมือนฟ้าร้องนะคะเราจะพูดว่าตอนนี้มีเสียงเหมือนฟ้าร้องเราก็จะใช้ประโยคว่า that sounds like thunder that sounds like thunder แต่ถ้าฟ้าผ่านนะคะจะบอกว่า that's lightning That's lightning. ะะะะะะ We had a lot of heavy rain this morning. We had a lot of heavy rain this morning. ะะ We haven't had any rain for a fortnight. We haven't had any rain for a fort tonight ฝนไม่ตกมาแล้วสองสัปดาห์ค่ะค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.tonamon.com slash englishconversationweather ค่ะค่ะวันนี้รายการของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะ กลับมาพบกับรายการเอ็งลิสราอยู่ได้ใหม่ในวันพุทธหน้าช่วงเวลาตีสี่ตีสี่ครึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมองคลธัญบุรีออกอากาศด้วยระบบ FM ความถี่ 89.5 เมกะเฮิร์ตซ์คลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต